ก่อนที่จ ะ, ะปลดน้ำก็กับข้อคิดเดินใจแล้วก็เป็นสมมตินิปัญาไปในตัววันนี้พวกเราได้มารวมกันทําบุญด้วยการถวายทานชื่อว่าสังฆทาน อานเป็นการทำบุญที่ชาวเรานิยมบำเพ็ญกันมากกพเชื่อว่าบุญที่ทำนั้นจะก่อเกิด อ, อนิสงส์หละประการอนิสงส์หรือว่าผลที่ผู้คนปรารถนาเวลาทำบุญโดยเพราะการถวายทาน ก็มักจะได้แก่ความสุขความเจริญมีอายุวันณะสุขภัณฑมีครอบครัวดีมีงานดีมีสุขภาพดีที่เจ็บป่วยก็หายจากความเจ็บป่วยเป็นต้น อ, อันนี้สองวันนี้เนี่ย ตามคุตตศาสนาะเรียกรวมกันว่าประโยชน์ชั้นต้นหรือว่าทิฏฐะพมิกถะแล้วประโยชน์เบื้องต้นหรือเราจะเรียกง่ายๆว่าประโยชน์ทางโลกกนะ็ได้ล้วนเป็นสิ่งที่ผู้คนปรารถนาแต่ว่ามันยังมีบุญหรืออ น, นิสงส์แห่งบุญอีกชนิดหนึ่ง อีกระดับหนึ่งที่ควรจะจะหนักอันนี้เนี่ยได้แก่ความสุขทางใจเช่นความปิติความอิ่มเอิบความสงบเย็นพูงง่ายคือว่ามีคุณภาพจิต ที่ดีขึ้นหรือที่เป็นกุศลส่วนใหญ่ผู้คนก็จะไม่ค่อยได้ตระหนักถึงอานิสงหรือประโยชน์ส่วนนี้มีชื่อว่านะประโยชน์ที่อยู่เบื้องหน้าหรือว่าประโยชน์ที่เลยผลวัตถุออกไป ที่ว่าสัมไตรกิกฐานคนส่วนใหญ่เนี่ยนะเวลาทําบุญก็มุ่งหวังประโยชน์ส่วนแรกอยากจะร่ำรวยอยากจะประสบความสําเร็จก็ไปทําบุญถวายทานอยากจะเรียนให้จบอยากจะทาเรียนงนิพนธ์ให้สําเร็จนะก็ไป ทำบุญอยากจะให้ทำมาค้าขึ้นกนะิจการเจริญรุ่งเรืองก็ไปทำบุญนะบุญชนิดนี้เนี่ยมันส่งผลต่อเหตุปัจจัยบางสิ่งบางอย่างนะที่ทำให้เกิดผลอย่างที่เราต้องการบางครั้งเนี่ย มันก็มีมันก็ส่งผลต่อผู้อื่นซึ่งทําให้ผู้นั้นเนี่ยเกื้อเฟือเกิดอกูลเราเช่นสมมุติว่าเราไปช่วยเหลือใครช่วยเหลือคนที่ตกอุกข์ได้ยากและภายหลังเนี่ยเราก็เกิดความลําบากเกิดความเดือดร้อนก็ได้คนที่เราไปช่วยเขาไว้นี่แหละ เขามาเอื้อเฟือให้เราเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยพ้นจาอุปสรรคเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันอธิบายได้ก็คือว่าที่เราอยู่รอดปลอดภัยค้นจาอุปสรรคเพราะเราเไปช่วยเขามาก่อนถึงเวลาค่อเป็นเราเดือดร้อนเขาก็ช่วยเราบุญที่เราทําเนี่ย มันก็ส่งผลทำนองนี่แหละแต่ว่าอาจจะมีความซับซ้อนนะมากกว่าบางทีเราก็อธิบายไม่ได้ว่าเอ๊ะ ท, ทำไมทำบุญแล้วเนี่ยนะถึงประสบความสุขความเจริญแต่เราก็เชื่อว่าเป็นเพราะอันนี้สองแห่งบุญนะะคนก็เชื่อเรื่องนี้ก็เลยทำบุญกันมาก แต่ว่าในทางภาษาศาสนาเนี่ยอา น, นิสงส์ที่ประเสริฐกว่านะก็คือประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับจิตใจเราบุญที่เราทำเนี่ยมันมาส่งผลที่ใจทำให้ใจมีความสุขและตรงนี้แหละนะคือตัวบุญที่แท้จริงนะางที่พระเจ้าตัดว่าบุญเป็นเชื่อของความสุข ความสุขที่วันนี้ไม่ใช่ความสุขเพราะพังพร้อมดวยวัตถุบริษัทบริวารแต่เพราะว่าจิตใจเนี่ยเป็นสุขเป็นสุขเพราะอะไรเป็นสุขเพราะว่าได้ทำความดีและที่สำคัญคือเป็นสุขเพราะว่าได้ลดได้ละได้ปล่อยได้วางความสุขมันมีสองอย่างนะสุขที่เกิดจากการมีการได้ มีเยอะก็สุขเยอะนะสุขมากอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนเนี่ยรู้จักแล้วก็ปรารถนาแต่ว่าสุขชนิดนี้เนี่ยมันมันยังไม่ใช่ของแท้แล้วมันก็ไม่คยยั่งยืนเพราะว่าพอถึงจุดนึงมีเท่าไหร่ก็ไม่พอต้องมีอีกต้องอยากได้อีกพออยากได้เรื่อยๆไปเนี่ยจิตใจก็ร้อนละ เพราะว่าไม่รู้จักพอสักทีแต่ความสื่อประเภทหนึ่งเนี่ยเป็นความสู่ที่เกิดจากการละโดยเพราะละความโลภละความโรกรธละความหละละความยึดมั่นถือมั่นเมื่อละแล้วเนี่ยมันทใจสบายรู้จักพอได้ง่ายถ้าเราเล่าความโลภเนี่ย ได้เท่าไหร่ก็พอใจไม่มีความโลภมาเขาหลนใจให้อยากได้อีกอยากได้เรื่อยๆไปต้องวิ่งต้องเต้นต้องดิ้นรนไม่รู้จักหยุดพักสักทีการทำบุญถ้าเราถ้าเราวางใจเป็นนะเราก็จะได้พบกับความสุจนิตนี้วางใจเป็นไหมครับว่าอย่างไรไะครับว่า ให้รู้จักวางให้รู้จักลดจักรละไอ้เวลาทำบุญเนี่ยนะหลายคนมาทำบุญเนี่ยเพราะจิตที่อยากจะเอาอยากจะได้ไอ้จิตที่อยากจะเอาอยากจะได้เนี่ยเช่นอยากจะรวยอยากจะมั่งมีเนี่ยอาจจะมั่งมีจริงอาจจะรวยจริงแต่ว่าจิตใจเนี่ยก็จะมีความโลภนะเป็นเจ้า เ, เรือนได้ง่าย และพอมีความโลภแล้วเนี่ยหรือมีความอยากแล้วเนี่ยก็ไม่พบกับความสงบใจสักทีแต่ถ้าระวังใจเป็นเนี่ยเมื่อทำบุญแต่ละครั้งเนี่ยเราคิดที่จะสละอย่างเดียวไม่ได้คิดที่จะเอาเข้าตัวเวลานึกถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นก็นึกถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับผู้รับเช่นถวายพระก็ อยาใช้พระในท่านได้นะมีกําลังวังชาจากอาหารที่ถวายหรือว่ามีกําลังในการทํางานเพื่อาศาสนาเพื่อไปช่วยเหลือเกือ้อกูลผื่นต่อไปอันนี้เรียกว่านึกถึงประโยชน์ของที่จะเกิดกับผู้รับส่วนประโยชน์ที่จะเกิดกับเราเองเช่นร่ํารวยมั่งมีเนี้ยไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่ เพราะว่ามุ่งแต่จะลดจะละอันนี้เป็นเป็นวิธีการวางใจนะที่พระริยาเจ้าทังสารเสด็จพระสารีบุตรยัง เ, เคยกล่าวว่าบันฑิตเมื่อให้ทานย่อมไม่มุ่งหวังอุปเิสุขอุปเิศุกคือโล ก, กียสุขหรือความสุขแบบโลกโลก ใช่ย่อมรวยมั่งมีงานการสําเร็จมียอฐานบรรดาศักดิ์อันนี้ก็ใช่บัณฑิตเมื่อให้ทานย่อมไม่มุ่งหวังอุปทิสุขหรือพบใหม่พบใหม่คือว่าทําบุญแล้วยากได้ไปเกิดเป็นคนร่ำคนรวยคนมั่งคนมีเป็นเจ้าคนในคนในชาติหน้าถหรือไปเกิดในสวรรค์อันนี้อันนี้ไม่ใช่วิสัยกริตบัณฑิตเมื่อให้ทานย่อม มุ่งขจัดกิเลสและการไม่เกิดพบไม่เกิดพบก็คือว่ามุ่งนิพงผ่านไปเลยได้เกิดอีกแล้วเพราะว่าเกิดอะไรก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นมุ่งขจัดกิเลสนะอันนี้ก็เป็นคําสอนของพระสารีบุตรว่าบัณฑิตเมื่อให้ทานเนี่ยก็มุ่ง กขจัดกินเล็วอันนี้เป็นประโยชน์โดยตรงนะของการให้ทานนะอย่างที่พระเจ้าตถาเนี่ยให้ทานก็เพื่อกระจัดความตันหนีคนธรรมชาติคนเรามีความตนหนีอันนี้เนี่ยเราจะถ้าเราปล่อยให้ความตนันหนีมันอยู่ในใ จ, ใจิตใจแล้วก็จเจริญงอกงามยิ่ขึ้นเราก็หาความสุขใจยะอย่างที่บอกเนี่ยได้เท่าไหร่ก็ไม่พอ และที่สำคังคือว่ามันไม่ใช่มีแต่ได้นเดียวมันมีเสียด้วยได้กับเสียมีกับหมดเป็นของคู่กันเช่นเดียวกับพบและพลาเจอและจากทอ้นี้ถ้าเกิดเรมีความตนหนีครองใจเนี่ยถึงเวลาทรัพสมบัติสูญเสียไปเสื่อมไปตามกฎอนิจจัง ความไม่เที่ยงก็จะเกิดความเสียอกเสียใ จ, จเกิดความทุกข์ตอ น, นที่มีเยอะอยู่แล้วนะและที่เสียไปก็ไม่ได้เสียมากอะไรเลยแต่เพราะความตำหนี่เพราะความโผงผางก็เลยกุ้หมอบุกใจบางคนเงินหายเป็นร้อยเงินหายเป็นพันเงินหายเป็นหมื่นก็กินไม่ได้นอนไม่หลับ น้นที่ตัวเงเนี้ยมีเงินเป็นล้านแต่ว่าไอ้ไอเงินของที่เสียไปไเงินที่หายไปมันก็เป็นแค่ส่วนเสี้ยวของสิ่งที่มีอยู่แต่พอมีความตำหนิเสร็จแล้วมีความหวงแหนเสร็จแล้วเนี่ยและสิ่งที่เสียไปจะเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสิ่งที่มีมันก็ยังทุกข์อยู่นั่นแหละอันนี้เพราะว่าไม่รู้จัก รถไม่รู้จักละไม่รู้จักขจัดความตันนี่ไอ้คนเราเนี่ยอย่างที่อย่างที่ได้พูดไปเมื่อเมื่อวานนะว่าคนเราเนี่ยทุกใจเพราะความยึดติดเพราะความยึดติดยึดว่าเป็นเราเป็นของเราทุกการนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ทุกใจเพราะเหตุ น, นี้ทั้งนั้นสาวไปดูจริงๆนะ เราด่าเราทำไมเราทุกข์ก็เพราะว่าเรายึดติดในตัวตนมีตัวกูมากมีตัวก่วแน่นมีตัวปูวป แ, นวปแน่นหนาก็ปรารถนาแต่คำชมอย่าว่าแต่คำตำหนิเลยแค่ไม่ชมนี่ก็ทุกข์แล้วแค่ไม่กดไลน์นี่ก็เศร้าหมองละกังวลละน้าประสาอะไรกับการถูกตำหนิอันนี้เพราะว่า มีความยึดในตัวปู ม, มากแต่ถ้าเกิดว่าเราเรูร้เริ่มรู้จักละเริ่มรู้จักลดนะเริ่มจากการละความยึดติดในสิ่งของก่อนะการให้ทานเนี่ยมันเป็นอุบายที่ช่วยให้เราเนี่ยลดละความยึดติดถือมัน่นเริ่มจากการลดการละความยึดติดในสิ่งที่ ทำได้ง่ายที่สุดก็คือสิ่งของนอกตัวนี่พอเราทำบ่อยๆทำบ่อยๆใจเราก็จะเบาความผผงผางเราก็น้อยลงต่อไปเราก็จะลดละในสิ่งที่มันยากกว่านั้นได้ถึงเวลาต้องสูญเสียคนรักของรักของหววเราก็ทำใจได้ไดเร็วขึ้นไม่จมในความทุกข์ และต่อไปเนี่ยเราก็จะลดเราก็จะละในสิ่งที่ทาให้ทุกข์ใจได้คนเราเนี่ยเราไม่ได้ยึดเฉพาะสิ่งที่ให้ความสุขกับเราเท่านั้นแปลกนะสิ่งให้ความสุขกับเรายึดเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันทำให้เรามีความสุขแล้วเราก็อยากจะสุขเรื่อยไปเราก็เลยอยากจะรักษาเอาไว้ให้มีความสุขเรื่อยไป แต่แปลงนะัเราไม่ได้ยึดแค่ น, นนะเรายึดในสิ่งที่ทําความทุกข์กับเราด้วยเช่นความทรงจําที่เจ็บปวดความทรงจําเกี่ยวกับคนที่เขาทำร้ายเราโกหกเราหักหลังเราด่าว่าเรานึกทีายเจ็บทุกทีนึกทีไรโกโปทุกทีนึกที่ไรเศร้าทุกทีนึกทีไรเสียใจทุกทีแต่ก็ยัง เก็บมันเอาไว้นึกถึงมันอยู่เรื่อยไปบางคนโกรธพยาบาลนี่เป็นสิบปี20สปีก็ยังเก็บมันเอาไว้ใครมีคนมาแนะนำว่าให้อภัยเขาไม่ยอมกับโกรธคนที่มาแนะนำอย่างนั้นหาว่าไม่ใช่พวกเรา หรือไม่เข้าใจเราอันนี้แสดงเห็นว่าเนี่ยแม้กระทั่งความทรงจำที่เลวร้ายที่เจ็บปวดที่ที่เหมือนกับเศษแก้วแหลมคมที่มันคอยบาดติด บ, บาดใจยอยู่เรื่อยก็ยังเจ็บเอาไว้รวมทั้งตัวอารมณ์เองนะอารมณ์โกรธอารมณ์เศร้าเวลาเศร้าเนี่ยเราก็ฝูงแหนความเศร้ามาก คนที่สูญเสียคนรักนั่งซึมเศร้าอยู่ในห้องคนเดียวเพื่อนมาชวนให้ไปไหนก็ไม่ไปจะขอซึมจะขอเศร้าเวลาฟังเพลงคนเศร้าคน อ, อกหักเขฟังเพลงอะไรเขาไม่ได้ฟังเพลงสนุกสนานเพลงมาร์ชก็ฟังเพลงเศร้าพรอะไรนะเพราะเนะขาห่วงแหงความเศร้าก็อยาจะเศร้าเรื่อยไป มีเพื่อนคนหนึ่งนะได้ จ, จดหมายจากเพื่อนชายเธอก็รักเพื่อนชายคนนี้แต่เพื่อนชายไม่ได้มีใจให้เธอเธอก็นั่งซึมระห่งที่นั่งซึมอยู่นี่ก็มีเพื่อนมาที่น า, ม า, ม, า, ม, ามาหาที่บ้านมากดจิงเรียบจะชวนไปเที่ยวพอเธอได้ยินเพื่อนมาเรียกเธอชุนเลยนะ นึกในใจที่จะสุขก็ไม่สมหวังเวลาจะทุกข์ก็ยังมีคนมารบ ก, กวนมีคนมาขัดขวางฮ <c oughs> เวลามีคนเวลาจะทุกข์ยังมีคนมาขัดขวางเลยแปลว่าอะไรแปลว่าโงแหนความทุกข์คุยอยากจะทุกข์อยู่ไปเรื่อยๆอย่ามาันอย่ามารบ ก, กวนกุยอย่ามาขัดขวางกูนี่นะคนเราเนี่ย <c oughs> มันแปลกนะเราไม่ได้ยึดเฉพาะสิ่งที่ให้ความสุขกับเราสิ่งที่ทําความทีกับเราแล้วก็ยึดเพราะอะไรนะเพราะเราเนี่ย ไม่ค่อยได้เรียนรู้ไม่คยได้ฝึกฝนการปล่อยการวางในการให้ทานเนี่ยนะถ้าเราวางใจเป็นนะมันจะค่อยสะสมนะนิสัยในการปล่อยการวาง ท, ที่แรกเริ่มจากการปล่อยการวางเริ่มจากการคลายความยึดติดในสิ่งของที่เรารักที่เราหวงแหนนะต่อไปเราก็จะ สลาเราก็จะปล่อยเราก็จะวางนะในสิ่งที่ทําความทุกข์ให้กับเราเช่นกิเลสนะรวมทั้งความทรงจําอันเจ็บปวดนะเราก็จะปล่อยวางได้ง่ายขึ้นะมันเริ่มตัจากทานแล้วต่อไปก็เข้าสู่ภาวนานะนี่ถ้าเราให้ทานเราให้ทานไม่เป็มเนี่ยนะมันก็จะมีแต่นิสัยที่พ่อคุณอยากจะเอา แมันไม่ใช่อยากจะเอาอยากจะยึดเฉพาะสิ่งที่รักสิ่งที่ให้ความสุขนะไอ้สิ่งที่ทำความื่อกับเราเราก็จะยึดด้วยเหมือนกันแล้วถึงเวลาจะบอกให้ปล่อยให้วางก็บอกปล่อยไม่ได้วางไม่ได้นะไม่ใช่เพราะมันเป็นนิสัยสันดา์ในใจแต่เป็นเพราะเราสะสมเราสะสมมันขึ้นมาเองแต่ถ้าเราวางใจเป็นนะ เวลาให้ทานนะเราก็ไม่ได้คิดที่จะเอาเข้าตัวเลยเราคิดแต่จะปล่อยจะวางเวลาถวายของพระ เ, เราก็ให้ด้วยใจที่นอกจากไม่ได้มุ่งอะไรเข้าตัวเองแล้วเนี่ยก็ยังปล่อยวางแม้กระทั่งว่ามันเป็นเราเป็นของเราหลายคนเนี่ยนะเวลาถวายอาหารให้พระถวายจีวรให้กับหลวงพ่อเนี่ยก็จะคอยเฝ้าดูว่า หลวงพ่อจะฉันอาหารของชันไหมหลวงพ่อจะผมจีวรของชั้นไหมให้ไปแล้วน่าจะยังมีของฉันอยู่เลยนะถ้าให้ไปแล้วเนี่ยก็เป็นของท่านใช่ไหมเป็นอาหารของท่านเป็นจีวรของท่านแต่ใจนี่มันยังมีเยื่อใหญ่นะอาหารของกูจีวรของกูหลวงพ่อฉันบ้างหรือเปล่าหลวงพ่อพอคล้องบ้างหรือเปล่าอันนี้เรียกว่าเป็นการให้ที่มีเยื่อใหญ่มันยังไม่ใช่เป็นการให้แบบเสด็จน้ํา แล้วผู้เจ้าตัดเลยนะว่าถ้าให้ทานเนี่ยนะบุญการให้ทานเนี่ยย่อมได้บุญน้อยเกิดบุญน้อยหากว่ายังมีติตยังมีเยื่อใหญยยังมีจิตผูกพันยังมีจิตปรารถนาที่จะได้นอนได้นี่ยนะบุญจะเกิดขึ้นน้อย แอนถ้าเราอยากได้บุญมากๆนี่นะยิ่งต้องล่าให้มากยิ่งไม่อยากได้บุญกลับได้บุญไอ้ยิ่งได้บุญกลับไม่ได้บุญในที่นี้เนี่ยมาถึงบุญที่ใจใจที่สงบใจที่เย็นใจที่มีคุณภาพที่ต่อไปเนี่ยถึงเวลาที่เราต้องพูดความสูญเสีย เราก็ทำใจได้ง่ายยิ่งถ้าเราภาวนาหรือพิจารณาอยู่เสมอนะว่าอะไรที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็เป็นของที่อยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราวมันไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงถ้าเรามันพิจารณาแบบนี้อยู่เสมอเนี่ยเวลาเจอความสูญเสียอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็จะยิ่งปล่อยวางได้ง่าย หรือมิฉะนั้นเนี่ยก็เอาความสูญเสียเนี่ยมาเป็นเครื่องเตือนใจตอกย้ำเราว่าเออไม่มีอะไรจะเป็นของเราอีกแล้จริงทุกอย่างล้วนแล้วแต่ไม่เทีย่ยมมีแล้วก็หมดไปนะมีแล้วก็หายไปเราก็จะได้ปัญญาเราก็จะได้ธรรมะตอนที่เกิดน้ำท่วมใหญ่กกที่กรุงเทพเนี่ยเออไม่ใช่กรุงเทพทั้งประเทศเลยเนี่ย เมื่อปี54หลายคนก็สูญเสียนะทรัพย์สินเงินทองมากมายบางคนไม่ใช่สูญเสียทรัพย์สินสูญเสียอยืน่นด้วยเพราะทำใจไม่ได้ก็เลยเสียจลิดนะคุ้มครั่งบางคนเสียชีวิตเพราะว่าทำใจไม่ได้ฆ่าตัวตายแต่บางคนเาก็ไม่ได้ทุกทรมานไม่ได้เสียอกเสียใจอะไร เขาก็ทำใจได้เขาวางใจถูกเขามองเป็นยังมีคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยน้ำท่วมคราวนี้มันก็ได้สอนให้เห็นเลยนะว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงไอ้ที่อยู่กับเราเนี่ยนะมันอยู่กับเราเพียงชั่วคราวถึงเวลาก็ถูกน้ำพัดพาไปหรือไม่ก็ไฟไหม้หรือไม่ก็มีคนเอาไปแทนที่จะเสียใจนะ ตัอยางอบคัวจากรัฐบาลที่ทำให้ที่ไม่ป้องกันน้ำท่วมก็กลับมามองว่าเออนะมันสอนเรานะอันนี้เราคนฉลาดนะคือรู้จักหาประโยชน์จากเหตุการณ์ร้ายหาประโยชน์ในทางธรรมนะไม่ใช่หาประโยชน์ในทางโลกก็คือ ได้มาธรรมะนะจากเหตุการณ์นี้ว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงซึ่งช่วยทำให้ปล่อยวางได้ง่ายเสียของเนี่ยนะมีเงินหาซื้อใหม่ได้แต่ว่าธรรมะเนี่ยมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้เพราะนั้นถ้าได้มาเมื่อไหร่เนี่ยเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่ก็ถือว่าได้กาไรอาศัยเหตุการณ์เหล่านี้เป็นเครื่องฝึกให้เราปล่อยวาง นอกเหนือจากการทําบุญการทําความดีจะช่วยฝึกให้เราปล่อยวางได้แล้วเหตุการณ์ต่างๆที่มากระทบก็ฝึกเราได้ให้รู้จักปล่อยวางเพราปล่อยวางเป็นยังไงใจก็สงบนีผู้ชายคนหนึงเป็นช่างวันนี้คืนนี้ปรกว่าไฟชอ็อตมันมาชอ็อตที่ขาไฟฟ้าแรงสูงต้อง ต้องตัดขาทั้งสองข้างที่การตลอดชีวิตเอร์ไรายเกิดขึ้นไม่นานนะภรรยาก็ทิ้งไปลองนึกดูน่าหัวพึ่งเสียขาเพิ่งพิการแทนที่เมียจะอยู่กับเราช่วยเราลับทิ้งเราไป แต่ว่าผู้ชายคนนี้นี่แกไม่ได้รู้สึกไม่ได้คิดแบบนั้นมีคนมาถามแกว่ารู้สึกอย่างไรที่เมียทิ้งไปจะบอกไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะแม้แต่ขาขอมแต่แท้เนี่ยมันยังไม่อยู่กับผมเลยแล้วจะให้เมีย อ, อยู่กับผมได้ยังไงแทนที่จะติยชวชกหัวว่าทำไมเราซวยแบบนี้ เจอคว า, ม, ม, สา ม, มส้ำกรรมเจอความซ้ำกรรมซับนะกับมองว่าเออธรรมดาบางคนเสียขาไปเนี่ยโอ้กุ้มอมอวกุ้มใจแต่ผู้ชายคนนี้เนี่ยเสียขาลยแล้วยมันทำให้เขาได้เห็นว่าเออไอร่างกายของเราเอยว้ของเราเนี่มันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยจะหวังให้มันอยู่กับเราไปตลอดก็อย่าหวัง ขาแท้ๆอยู่กับเรามามันก็ยังไปนะแล้วไอ้สิ่งนอกตัวนะมันจะอยู่กับเราไปตลอดได้ยังไงถ้าที่แบบนี้เนี่ยนะใจเป็นสุขนะแล้วคนเราก็ไม่รู้นะว่าเราจะเจอข้อร้ายอะไรบ้างแต่ถ้าเราคาดหวังแต่ว่าจะต้องเจอความสุขความเจริญเพราะาเราทำบุญมาเยอะ การตั้งจีตแบบนี้นี่อันตรายนะเพราะว่าพอถึงเวลาเกิดสูญเสียเกิดพลาดพราเดเกิดเจ็บปวยขึ้นมาเนี่ยมันจะสวิงกลับนะจากคนที่เคยทําบุญเป็นบ้านเป็นหลังนี่เลิกทําเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าทับแทนใจว่าทําไมบุญไม่รักษาทําไมธรรมะไม่คุ้มครองอุตส่าห์ทําบุญมาต้องเยอะแยะทําไมไฟไหม้บ้านทําไมข้าวของเสียหายทําไมถูกโกง เสื่อมศรัทธานในบุญขึ้มาทีเลยนะเลิกทําเลยหรือว่าเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยก็จะโกรธแค้นเราทำไมเราทําบุญมาตลอดทําไมต้องมาเจ็บป่วยทําไมต้องเป็นชั้นเลิกทําบุญไปเลยอันนี้มีเยอะนะอันนี้เพราะว่าวางใจผิดวางใจ เวลาทําบุญก็ปรารถนาอยากจะได้จะเอาพอไม่ได้อย่างที่คิดเนี่ยมันโกรธแค้นแล้วก็สวิงกับไม่ทําบุญเมื่อเร็วๆเมื่อสักเดือนที่ปีที่แล้วมันมีผู้ชายคนหนึ่งนะแกเป็นผู้กำกับหนังกำกับกำกับหนังเรื่องขัวโตทุ่มทุนไปหลายสิบล้านเพราะว่าเจ๊ง ลงโรงได้แค่สามสี่วันไม่มีคนดูเขาก็ถอยออกจากโรงเป็นหนี้สามสิบล้านและไม่นานเมียก็ทิ้งหลังจากนั้นไม่กี่เดือนแกก็ประกาศว่าแกเลิกนับถือศาสนาแนล้วแกบอกในแกวเรียกว่าทุ่มเทเพื่อ พุทธศาสนามากทำหนังก็เพื่อจะให้คนเนี่ยหันมานับถือศาสนาศรัทธาในศาสนานะแต่ว่าไม่ได้มีความสุขความเจริญเลยมีแต่นี่สินศนะาสนามีแต่ทำให้ชิบหายขายตัวเอ๊ชิบหายเป็นหนี้แล้วก็เมียทิ้งเลิกนับถือศาสนาเนี่ยถ้าเราถ้าเรา นับถือศาสนาก็ดีหรือว่าทำบุญด้วยความยึดมั่นถือมั่นว่าจะต้องร่ำรวยจะต้องประสบความสำเร็จนะนอกจากจะทำให้ทุกเวลาเกิดความพัดภาคแล้วเนี่ยบางทีไอ้ทำให้เราเนี่ยถึงกับนะต่อต้านบุญต่อต้านศาสนาไปเลยแต่ถ้าว่าเรารู้จักนะทำบุญนะ ด้วยใจที่ปล่อยวางและไม่ใช่แค่ปล่อยวางเฉพาะเวลาทําบุญนะแต่ว่าในการดําเนินชีวิตนะเราก็รู้จักปล่อยรู้จักวางฝึกจิตอยู่เสมอเจอเหตุได้อะไรมันผ่านไปแล้วก็ไม่ถ้ามันผ่านไปใครด่าเราใครว่าเรากนะ็ไม่เก็บเอามาคิดถ้าจะคิดก็คิดในแง่ที่ว่าเขาพูดถูกไหมเขาพูดจริงไหมพูดถูกพูดจริงก็เอามาเอามาใช้ปรปับปรุงแก้ไข ถ้าเรารู้จักปล่อยรู้จักวางเนี่ยใจก็สบายถึงเวลาจะถึงเวลาจะประสบความผ้าผ่าสูญเสียก็ไม่ทุกข์ระทมและถึงเวลาที่เราต้องตายนะมันก็ปล่อยวางได้ง่ายไม่ใช่มาปล่อยวางเตรียมไม่ใช่มาฝึกปล่อยวาง อ, อตอนจะตายมันต้องเคยสะสมตั้งแต่ตอนนี้แล้วเราก็สามารถที่จะสะสมนิสัยปล่อยวางได้เนี่ย นะด้วยการให้ทานอย่างถูกต้องอย่างที่พระสายเลบุตรนะท่านได้แนะนำเอาไว้สังฆทานนี่ยมันสามารถจะเป็นภาวนาได้นะถ้าเราวางใจเป็นแต่เดียวกันเนี่ยนะวันนี้เนี่ยเรามาถวายสังฆทานเนี่ยสังฆทานเนี่ ย, น, น, ยนอกจากอั น, นิสง์ที่เกิดขึ้นกับผู้รับแับผู้ให่อย่างที่ว่ามาแล้วเนี่ยัยงมี อันนี้ส่งต่อคนในกลุ่มหนึ่งก็คือผู้ที่รล่งรับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วเนี่ยเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างนะมีแต่บุญและบาปที่ติดตามไปแต่ว่าผู้ที่อยู่ข้างหลังก็สามารถช่วยได้ด้วยการทำบุญอยที่ไปให้เพราะว่าบุญที่อย่ที่ไปให้เนี่ยก็จะทำให้ประสบสุขในสัมภาร ะ, ะพบได้และการทำบุญที่ไปให้เนี่ยก็คือวิธีหนึ่งการ ทำสังฆทานอันนี้ต่างจากคติของคนจีนหรือว่าคติของหลายศาสนาหรือหลายความเชื่อนะอย่างเช่นคนจีนเนี่ยน ะ, ะถ้าอยากจะให้พ่อแม่ที่ตายไปแล้วเนี่ยได้อะไรเนี่ยก็จะเส้นเอานะเผาเผา i p h o n ห6บ้างเผาแท็บเล็ตบ้างกระดาษนะเบ้นกระดาษบ้าง ก็ เ, เชื่อว่าจะได้ไปใช้ในสวรรค์นะแต่ชาวพุทธเราไม่เชื่อแบบนีเ้เราเพราะชาวพุทธเราเชื่อว่าเนี่ยต้องเขาไม่ต้องการเป็นเขาไม่ต้องการไอโฟนอะไรหรอกนะเขต้องการแค่บุญนะแต่เพราะนั้นเนี่ยเราก็ทําบุญที่ไปใหนะ้อยากจะให้ท่านได้กินอาหารที่อร่อยก็มาถวายพระเดี๋ยวพระแปลให้เป็นบุญนะข้างบนเนี่ยนะ มันมีอะไรที่มันประเสริฐกว่าของที่เป็นวัตถุได้ซ้ําแต่ว่าถ้าไปสุกติแล้วเนี่ยนะไอ้บุญที่เราก็ไม่ต้องการบุญแล้วละ่ะไอ้ที่ต้องการบุญก็คือที่ยังอยู่ในทุกตินะะั่นแหละก็ต้องส่งบุญไปช่วยพระสารีบุญเนี่ยนะท่านก็ทําสวดทวายสังฆทานนะมีความหนึงเนี่ยมีเปรตมาขอส่วนบุญเปรตที่หิวโหยแล้วก็หนาวมากเลย ท่านพิจารณาอย่างก็เพราะว่าเคยเป็นแม่ของท่านแอนดีตชาติอยากจะช่วยก็เลยทำสังฆทานท่านไม่มีปัจจัยเสีอะไรหรอกนะแต่ว่ า, าพระเจ้าหรือพระเจ้าป ร, ระสิทธิโกศลบางหรือระเจ้าพิพิสารเนี่ยพอรู้ก็ถวายถวายทานเพื่อให้พระสารีบุตเนี่ย นำไปเป็นสังฆทานพอทำเสร็จปรากว่าเปรตยญตนนั้นเนี่ยก็อิ่ม้้ำสำราดแล้วก็มเีเรียกว่ามีอาพรสวมใส่หายหนาวอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอันที้สองอย่างหนึ่งของการถวายสังฆทานนะที่ท่านนำให้เรามาทำบุญในวันนี้นะก็เชื่อว่า ที่เราได้ถวายจังกทานในวันนี้ก็จะส่งผลให้กับผู้รองรับของเรานะตามที่ตั้งใจนะก็ขออนุมโมทน า, นะายญาติโยมทุกท่านนะที่ได้มาร่วมปฏิราจังคทานนะก็ขอให้ด้วยอหนาจแห่งบุญกุศลที่เราได้บำเพ็ญและคุณของพระรัตนตรยัยอานวยเอื้อผลให้ทุกท่านได้ไม่เพียงแต่เจริญด้วยอายุวรรณสุขภพละแต่ว่า ยังได้มีโอกาสบําเพ็ญบุญเป็นพ่อปัจจัยให้ได้ทําความดีงามให้ถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาขอให้มีปัญญาที่สามารถพาจิตออกจากความทุกข์เข้าถึงความสุขเกษมสารมีพานิพานเป็นที่หมายอีกทางอันที่สอแห่งบุญที่ได้บําเพ็ญนั้นก็จะขอให้ได้ส่งผลต่อผู้ทีท่รับให้ได้สวยสุขสมบัติได้สัมประยภพบตามควรแกกติวิสัย ด้วยกันทุกคนเธออยู่ก่อนที่จะปวดตามก็กราบมักสักุลก่อนนะสมักสักุล วตสังขาราอุปาทวตามิโลุาจิตวาโรันตเสาหูภสมโสุโอิจาสังขาราอุปาทวตามิโลอุปาจิตวาโรตันตเยสาหูภัสสมสุโขอาิจาวาสังขาราอุปาทวตามิโลอุปจิตวาณโรันตเสาูมสุโ เตรียมระครยะถาวริวหาปูราปริปูเรนติสาพรังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมีชัตุสัพเพปูเรนตูสังตปา จันโทปันรสโรยนยรสโรยะธามณีโชติรโสยะธาสัพพิติโยอภวาชันตุสังฆารโอโวินาสตุมาเตภวัตวันตารโยโทผีติภาโยโทภาวาภิวาตนาสีลิสานิจังุตาปัญญาอิโต จักตาโลธมาวันธานติอายุวันโนสุขังอลาอาตาสิเมอาคาสิเมยาติมิทาจักนจัเอทานาคินาตาชาโอเทกตมมนสรรานิรุณางวะโสโวายวันยาปริเตวนา นาตังเตตานามานทะยาอิ กิตานติยาตะโยอยัญยโสทากีนาพินนาสังขามิสุปฏิทิตาิภรตะขีตาญาสทานะโสอุปกะปติโสยาติธรมโมจะยังนิจโสเปตานุปชาจะกตาอุลาลาาลัญญาภิคูณมนุกขีนาตุมเหีหิตุยังกัตุตัง มังอาปาคัิ ผวัตุสาพมังคารังราคันตุสาพระเทวตาสาพระพุทธาทุปาเวนัสตาโสติภวันตุเตผวัตุสาพะมังคารังราคันตุสาพระเทวตา สัพพังพาณุพาเวนัสตาโสธิภาวันตุเตสานุขุนยุติธัรมีจาเยนเช่นผู้